อันนะพูดถึงการขาดจากไตรสรณคมหน่อยนะในในในหน้าสิบสี่การขาดจากสรณคมใครอยากขาดจากไตรสรณะบ้างไม่มีเลยนะโหเงียบหมดเลยแสดงว่าจิตใจแน่นแฟนมั่นคงกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เออวันนี้ห อ, อมามายังนึกถึงโอ้เรานี้วิบากดีนะได้ได้พบ ไ, ไ, ได้เห็นคนที่เขาถึงไตรสรณคมอ น, นะ แต่รู้จักผู้ที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาพูดถึงไตรสารณะนี่เราเนี่ได้อยู่ในปฏิรูปประเทศแล้วในเห็นอุบาสกอุบาสิกาอย่างเงี้ยจากรู่วิ ญ, ญญาณที่ดีมากเลยนั่นแหละังนั้นการขาดจากสาระคมก็คือการขาดนั้นมีอยู่สองอย่างแต่การขาดนั้นจะต้องขาดจากโลกิยะสาระคมเท่านั้นแหละเพราะว่าโลกุตระเนี่ยพระอริยะท่านไม่ไม่เปลี่ย น, ปยนแปลงแน่นอน นันพระริยเจ้ามีพระโสดาบันเป็นต้นท่านมีศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวเรียกว่าอัจฉรศรัทธาอัจฉริแปลว่าไม่หวั่นไหวจระมันหวั่นไหวหวั่นไหวเหมือนกับอะไรมันน้อยๆะที่มันอยู่บนน้ํำนะที่มันอยู่บนน้าแล้วมันหวั่นไหวลอยทุบป่องทุบป่องทุบป่องอะไแบบนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเป็นของที่หวั่นไหวเป็นของเล็กน้อยนั้นศรัทธาของปุถุชนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงหวั่นไหวในพระรัตนะตรายได้ การขาดจากโลกิยสระคมมีสองอย่างก็คือการขาดแบบมีโทษกับไม่มีโทษในบรรดาสองอย่างนั้นการขาดที่มีโทษมีด้วยเพราะการมอบตนในาศาสดาอื่นเป็นต้นนะก็คือเราถือว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่าพระพุทธเจ้ามีบุคคลที่ดีกว่าพระพุทธเจ้ามีคำสอนที่ดีกว่าธรรมะมีผู้ที่ปฏิบัติตัว ด, ดีกว่าพระสงค์ ผู้ที่มีความเข้าใจในลักษณะนี้เป็นคนที่ออกจากศาสนาแล้วเพราะถือว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่านับถืออย่างอื่นที่ดีกว่ามีบุคคลพิเศษคนหนึ่งดีกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคนนี้จริงๆแล้วแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ได้นับถือไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นศารณะจริงๆหรือมีคาสอนมีทฤษฎีอันใดอันหนึ่งนะหลักการใดหลักการหนึ่งที่ดีกว่าพระธรรม อันนี้ก็แสดงว่าคนนั้นก็ไม่ได้ถึงพระธรรมเป็นสนธนารจริงๆมีบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติซึ่งดีกว่าพระสงฆ์นนะครดีกว่าคนที่ปฏิบัติตามปริญญาสาดีกว่าคนที่ปฏิบัติตามสัมปชัญญะสก็คือดีกว่าคนที่ปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนในในคำสอนเนี่ยมีคนบางคนที่ปฏิบัติดีกว่านี้ซึ่งไม่ใช่ในคําสอนของผู้ศาสนาลักษณะนี้แหละเป็นคนที่ขาดจาก ไตรสารณคมแล้นั่นแหละถ้าหากว่าเราเป็นลักคิดแบบนี้ปุ๊บขาดเลยความขาดที่มีโทษนั้นมีผลไม่น่าปราถนะเาเขามีนะมีทางอีสานเนี่ยพระอีสานเขามีมีลัทธิใหม่ๆเข้ามามีที่ดีกว่าพระพระธรรมอีกนะมีบุคคลที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าอีกนั่นแหละเขาก็เบเริ่มที่แรกก็มาถึงก็แนะนําให้ศึกษาพระพุทธศาสนาก่อนนั่นแหละก็อ้าง พระพุทธศาสนาเสร็จแล้วเขาค่อยๆเบนประเด็นออกไปว่ามีที่พิเศษกว่านี้นะนั่นแหละมีที่ดีกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกมีอนะีกเนี่ยคนพวกเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีวิธีการอย่างอื่นเข้ามาด้วยเช่นรักษาโรคได้อะไรได้ั้นการรักษาโรคเป็นต้นนั้นก็จะมาทําให้คนศรัทธาระดับหนึ่งเสร็จแล้วก็เบ น, นเบียง ป, ประเด็นไปพระโพธิสัตว์นี่มีอยู่หลายอย่างด้วยกันบางคัมภีบอกว่าสาวกโพธิสัตว์ปเจกับโพธิสัตว์แล้วก็สำ้ำอ่า สัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นพวกเราปรารถนานิพานเราก็ชื่อโพธิสัตว์ด้วยเหมือนกันอันพระโพธิสัตว์เนี่ยก็บ่งบอกถึงว่าผู้ที่สแสวงหาโพธิยามเท่านั้นเองบางครั้งท่านก็มีความเห็นผิดใช่ไหมเช่นพระโพธิสัตว์ของเราในอดีตชาติมีความเห็นผิดไหมนะที่พระโพธิสัตว์ท่านไปลองผิดลองถูกนั่นอะ่ะตรงนั้นเป็นมิจฉาทิฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่พระโพธิสัตว์ท่านกลับลำได้ ถ้าไปนับถือตรงนั้นถือว่านับถือพระโพธิสัตว์ถ้าตรงนั้นก็คือนับถือศาสนาที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นเองเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นผู้ที่เคารพพระพุทธเจ้าที่สุดพระโพธิสัตว์ยังนับถือพระพุทธเจ้าแล้วเรานับถือพระโพธิสัตว์เราก็ต้องทําใจให้ดีนะว่านับถือให้ถูกที่เรานับถือท่านเพราะอะไรเพราะท่านเป็นผู้ที่ปรารถนาเพื่อจะเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าจะช่วยรื้อขนสัตว์นั่นแหละ แต่ค่ากับเรานับถือแบบถ้าเป็นพระราชาเรานับถืออุปราชซึ่งว่าที่พระราชาในอนาคต่ะเสร็จแล้วเรานับถืออุปราชโดยที่ไม่นับถือพระราชาเลยนี่นก็คือกบฏอย่างหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละไม่แน่สักวันหนึ่งอาจจะ ก, ก่ อ, อ ก, กบฏก็ได้อาจจะฆ่าพระราชาองค์เก่าเสร็จแล้วก็จะได้เอาอุปราชนี้ขึ้นไปนั่งแทนแทนนนนนอย่่าาาางงเีีี้้้คคคคคนนครรรววัับบบบถมุละห็ การบรรลุมรคผลของพระผู้มีพภาคเจ้าตามอริยมรรคมีองค์แปดนั้นเนี่ยแหมมันยาวยืดเยอะเหลือเกินสำนักข้าพเจ้ามีทางรัดเนี่ยอย่างนี้ขาดไหมครับอตรงนี้ให้เอาไปวินิจฉัยกันเอาเองนั่นละกันเพราะว่าถ้าเราบอกขาดเขาก็ไม่ชอบใจถ้าเราบอกว่าไม่ขาดเขาก็ถูกใจเพราะฉะนั้นเราไม่พูดเขาก็เอาไปคิดเอาเองไปน ะ, ปะนะ ส่วนความขาดที่ไม่มีโทษมีได้เพราะถึงแก่กรรมเออเนี่ยนะขาดอย่างหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยขาดจากใจสาธรณะแน่นอนถ้าจุติจิตเกิดนะส่วนความขาดนั้นไม่มีผลเพราะไม่มีวิบากจุติจิตไม่มีผลอยู่แล้วใช่ไหมจุติจิตไม่มีผลเพราะฉะนั้นาการขาดแบบจุติจิตจึงไม่มีโทษส่วนโลกุตราชรณาคมไม่มีการขาดเลยเพราะว่า พระอริยสาวกแม้ในภพอื่นจะไม่อ้างศาสนาอื่นว่าเป็นสารณะ น, นะเพราะฉะนั้นเพึงทราบความเศร้ามองและความขาดแห่งสาระคมดังพารนามาชนนี้อันพวกเราทั้งหลายแหละเท่านั้นแหละที่จะขาดอันหนึ่งนะขาดแบบตอนที่ยังไม่ตายก็คือมีศาสนามีอ่นึ่นะมีบุคคลที่ดีกว่าพระพุทธเจ้าสองมีคาสอนที่ดีกว่าพระธรรมสมมีบุคคลผู้ปฏิบัติดีกว่าพระสงฆ์ แต่ในขณะเดียวกันเราต้องชัดเจนเรื่องพระสงค์อยู่แล้วนะไม่ใช่ถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครตึงตังใครนะใครพระพุทธเจ้าใครถ้าคิดหายัางงี้ก็แสดงว่าเราเนี่งอนแง่เต็มทีเหมือนกันนะเอาใหม่นะพระพุทธเจ้าเป็นใครผู้ตรัสรูด้ดีตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองนั่นแหละตรัสรู้อะไรตรัสรู้อริยสัจสี่ทไมจึงตรัสรู้ทำไมจึงตรัสรู้ เพราะพระองค์สั่งสมบารมีมานะเพราะพระองค์สั่งสมบารมีมาพระองค์จึงได้ตรัสรู้อริยสัจจะทำเองโดยที่ไม่มีคนสอนเดี๋ยวบอกพระพุทธเจ้าเพราะองค์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะตรัสรู้อริยสัจเองถ้าเราไม่พูดถึงว่าบารมีที่พระองค์ทรงสั่งสมมานะเอ๊ะงั้นเราก็ตรัสรู้เองเราก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งทลเนี่ยถ้าเราไม่กล่าวถึงบารมีปั๊บนะก็จะขาดด่วนดังั้นความเป็นพระพุทธเจ้าในวันวิสาขปุรณี คือวันที่พระ อ, องค์ทรงตรัสรู้อริยสัจก่อนนั้นทั้งหมดเรียกว่าพระโพธิสัตว์หรือผู้คล่องในโพธิญาณน่ะสัจแปล ว, ว่าผู้คล่องคล่องในการตรัสรู้คล่องในโพธิญาณ น, นั่นแหละอ่าพระธรรมพระธรรมได้แก่คำสอนของผู้ที่ตรัสรู้นั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละที่เรียกว่าพระปริยัติธรรมพระอริยมรรคอริยผล นิพพานนี่คือพระธรรมของพระพุทธเจ้าอ่านะทำไมพระปริยติธรรมอริยมรรยผลและนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงพระธรรมโดยถูกต้องก็ต้องอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นพระปริยติธรรมการปฏิบัติใดๆก็ตามต้องอนุวัตตามพระปริยติธรรมจึงจะชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงความ ผ่องแผ้วของสารณคมว่าความผ่องแผ้วนั้นก็จะมีได้เฉพาะโลกิยะสรณคมเท่านั้นเพราะว่าความเศร้าหมองเกิดขึ้นแก่โลกิยะสารณคมใดความผ่องแผ้วมีเฉพาะโลกิยะสารณคมนั้นเท่านั้นความเศร้าหมองในสารณคมเพราะเพราะอะไรบ้างเพราะความไม่รู้เพราะความ สงสัยและความเห็นผิดหรือเรียกว่าเข้าใจผิดในคุณพระพุทธเจ้ามีความเข้าใจผิดในพระธรรมและในพระสงฆ์อถ้ามีความเข้าใจผิดในลนนักษณะนี้นี่แหละเป็นความเศร้าหมองเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามว่าพระสงฆ์นี่เป็นใครพระสงฆ์เป็นใครนะพระสงฆ์คือคู่แห่งบุรุษสี่คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสสะพวะวโตสาวกสังโฆนะคู่แห่งบุรุษสีคู่มีสคู่นะโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลคู่หนึ่งสกะทาคามีมักสกะทาคามีผลคู่หนึ่งอาณคามีมักอาณะคามีผลอีกคู่หนึ่งอรหัตมักอรหัตผลอีกคู่หนึ่งท่านทั้งหลายเหล่านี้เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติปป ต, ตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติ เพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำนั่นแหละนี่แหละเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านั่นแหละเราต้องชัดเจนนะว่าพระสงฆ์คือใครที่สงฆ์นั้นจึงแบ่งออกเป็นสองอย่างคือสมมุติสง์กับอริยสง์สมมุติสง์คือพระภิกษุสีส่รูปเป็นต้นไป ขณะที่ทำสังฆกรรมในสีมาเดียวกันโดยทาโดยวินายสงก็เหมือนกับสภานะถ้าเข้าสภาเมื่อไรจึงจะเรียกว่าว่าสงต้องหนึ่งนะมีเงื่อนไขว่าต้องทำสังฆกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยทําโดยวินายโดยคำสอนถูกตามหลักการเต๊ะเลยขณะนั้นเรียกว่าสมมุติสงที่เหลือเรียกว่าภิกษุอย่างเช่อนอาจมานะเาเรียกว่า นันทิกะพิขุกอย่างเงี้ยก็คือเป็นภิสูรรูปใดรูปหนึ่งเท่านั้นเองถามว่าเป็นสงไหมจะเป็นสง์ก็ถ้าเป็นสมมุติสง์ก็ขณะที่ทําสังฆกรรมหนึ่งนะจะเป็นที่สมมุติสง์ขณะที่ทําสังฆกรรมถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอริยะบุคคลจึงจะเป็นจึงจะเป็นอริยะสง์แต่ขณะนี้ไม่ใช่แน่นอนเลยขณะนี้โปกิเลสเต็มขั้นเลย อาทีนี้เราก็ดูว่าความเศร้าหมองมีที่ไหนความผ่องแผวก็มีที่นั่นนั่นแหละนั่นแหละสะอาดที่ไหนสกรปรกก็ตรงนั้นเพราะฉะนั้นโลกียะสนะคมนั้นจะพองแผ่ก็เพราะความรู้ในคุณของพระตนะตรายจริงๆ ร, รู้ในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่มีความสงสัยในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณไม่มีความเข้าใจผิดในพุทธคุณธรรมคุณและ สังฆคุณทีนี้ทํำยังไงจะได้ไม่จะได้มีความรู้ล่ะจะได้ไม่หายสงสัยจะได้ละคลายความเห็นผิดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญอนุสติใช่ไหมเจริญพุทธานุสติตามระลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคโดยความเป็นอรหงังอรหังหมายคำ ว, ว่าไกลจากกิเลสกําจัดฆาสึกคือกิเลสหักซี่กรรมแห่งสังสารจัก ไม่มีบาปในที่รับเป็นเนื้อนาบุญของโลกคเครียกว่าเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยสี่นี่คือความหมายของผ้าอารหรันต์ทำไมจึงปแปล ว, ว่าไกลาจากกิเลสก็ไม่มีกิเลสเลยก็ได้นี่ครับเพราะว่าเวลาผมไหว้พระนะเพราะขึ้นชื่อกอรหังนี่นะผมผมมองภาพแบบเป็นเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสเลยแม้แต่นิดเดียวอ๋อคือมันเป็นสำนวนนะนะก็คือแม็กบอกว่าโลผ้าโทสะไม่ไปไม่ไมปใกล้ใจท่านเลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะ ห่างมากเหลือเกินอ่ะห่างมากมายมหาศาลครับงงังเงนแล้วก็กําจัดได้ด้วยนะมีข้ออื่นๆที่กําจัดกิเลสด้วยนะถ้านึกถึงผู้เทธเจ้านั่งอรหังสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ด้วยพระองค์เองตรัสรู้อะไรอริยสัจอยู่ตรงไหนเอาลองยกมือถวานดู <c oughs> เผื่อจะใกล้ใกล้บ้างนะ <c oughs> เผื่อจะใกล้ตัวบ้างเอานะเอ า, เอาอะไรดีเอาผมดีกว่าเอา ผมนี่เป็นอริยศาสตร์ไหมเป็ น, ปนมนะีในคำพีทั้งกล่าวว่าเกสาเกสาสมุทัยนะมีมีสูตรรับรองนะเกสานิโรธเกสานิโรธาคามินีปฏิปทาผมสมุทัยของผมสมุทัยความดับผมและสมุทัยของผมและก็ข้อปฏิบัติเพื่อดับนะ อ่ะผมนั้นถ้าใช้คำว่าผมเนี่ยต้องรู้นะอะไร <c oughs> เกสาเกษาผมทั้งหลายใช่ไหมผมนั้นเป็นทุกข์กษัตริย์ใช่ไหมเพราะเงื่อนไขเขาคือชาติปีทุกขาผมเป็นชาติผมเป็นชราชราผมนี่มีพยาธิไหมมีโรคมากมายนะนะแล้วก็อาศัยผมเนี่ยทำให้เกิดทุกข์ได้ไหมได้ทำให้เกิดโทมนัสได้ไหมได้ แล้วก็อาศัยผมเนี่ยทำให้ประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักได้ไหมนั่นแหละถ้าผมบางอย่างก็ไม่ไม่เป็นที่รักงงๆเลยแล้วก็ทำให้พลาดพลาดจากของรักได้ไหมได้เพราะฉะนั้นผมนี่แหละคือตัวอุปาทานขันห้าบัญญัติเรียกว่าผมโดยปรมัตัยในผมมีกี่รูปผมนะมีหนึ่งนะกายทัศกะกลับสองภาวะทัศกะกลับสามานะน หนึ่งกายะสองภาวะและอะไรอีกอชีวิตก็อยู่ในกายอยู่ในภาวะแหละต่อไปนะอาหารชรูปอีกแปดจิตตชัโรอีกแปดอุตูชร่รูปอีกแปดถ้ากรรมมาชร่ปเกิดด้วยกรรมใช่ั้ยกรรมนั้นจะให้ผลเพราะมีอะไรเป็นปัจจยัยมีตัณหาเป็นอุปนิสัยให้ก็บอกว่าในคำพีในคติคาถ า, ากล่าวไว้ชัดเจนเลยว่า กรรมจะให้ผลได้เพราะมีตัณหาเป็นอุปนิสัยนั่นแหละบุญเหล่านี้เนี่ยเส้นผมเราเนี่ยเกิดด้วยผลของบุญก็จริงแต่บุญอันนี้มีอุปาทานเป็นปัจจัยนั่นแหละก็คือมีตัณหามีอวิชชามีกรรมมีอุปาทานด้วยฉะนั้นถ้าหากว่าในปัจจยาปริคหายานจึงกล่าวว่าผมเนี่ยโดยสภาวธรรมก็คือรูปปัจฉันเท่านั้นเอง อผมคือรูปประคันนั้นน่ะมีกายะประสาธะอยู่ที่นั่นด้วยในที่ที่รากกันนะเพราะที่นั่นจึงเกิดกายะวิญญาณใครรู้สึกร้อนเผาๆแถวๆรากขนนะ่ะนะของมารู้สึกร้อนๆนั่นกันเนละนั่นแหละถ้าเหงื่อออกปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตดูความร้อนของตรงรากผมนะี่ยเพราะตรงนั้นจะมีที่เกิดของกายะวิญญาณได้เพราะฉะนั้นถ้ามีผมก็มีกายะวิญญาณขันห้ามาครบแล้วเนั้นตรงนั้นก็เป็นอุปาทานขันห้า รูปเกิดเพราะอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตันหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดหรืออุปาทานเกิดรูปจึงเกิดและอาหารด้วยเกิดขึ้นงั้นสมุทฐานสีก็มาพร้อมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นทุกขสัตถ์กิเลตันหาที่เป็นปัจจัยให้เกิดเส้นผมนี้เป็นสมุทัยสัตถ์อก็บอกว่าตันหาถ้าจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ผม นั่นแหละก็เกิดที่ที่ที่ผมเหล่านี้ถามว่าถ้าจะละละที่ไหนก็ละที่ผมละยังไงถอนเลยใช่ไหมโกนเลยบวชเลยอถ้าบวชถ้าโกนเฉยๆเนี่ยได้ดีก็แต่มีนะพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยสัมมณนบางองค์ที่ท่านทําบุญไว้เยอะนะพอจับมาบวชปุ๊บอุปชาก็สอนกรรมฐานห้าสอนตาจ่าปัญจกะกรรมฐานเสร็จแล้ว พอท่านสอนปุบนะก็สอนถึงความปฏิกูลของผมสอนถึงวิปั ส, สนาขนานั้นแล้วก็โกนแครกแรกเข้าไปเป็นโสดาบันแครกที่สองเป็นสกธาคามีแครกที่สเป็นอนาคามีหมดหัวเป็นพระอารหันต์พอดีของเรานี่หมดใบมีดโกนไปแต่งเยอะแล้วก็ยังเหมือนเดิมเลนั่นแหละอันบุญมันต่างกันนะเนาะอินทรีย์ต่างกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นในขณะที่สมัยก่อนนี่ยเขาปรงผมครับเป็นพระอาริยเจ้าไม่ใช่น้อยเลย มันก็เป็นกรรมฐานหมวดหนึ่งในกรรมฐานที่กุลบุตรทุกคนถ้าจะบวชในาศาสนาต้องได้เหมือนกันหมดคือกรรมฐานว่าด้วยตะจะปัญจกะกรรมฐานกรรมฐานที่มีหนังเป็นที่5หนึ่งนะเกษาผมทั้งหลายสองโลมาขนทั้งหลาย3าหน้าขานขาเล็บทั้งหลาย4่ทันตาฟันทั้งหลายแล้วก็สุดท้ายตะโจหนังทั้งหลายเอ๊โยมก็ ชักเขาเขาแล้วเงี้ย น, น, นะนั่นแหละผิวหนังก็สงเคราะห์ลงอริยศาสตร์ได้เหมือนกันเอาเช่นผิวหนังผิวหนังสมุไทยผิวหนังนิโรธผิวหนังนิโรธคามินีปฏิปทาอันในผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทุกอย่างสงเคราะห์ลงอริยศาสตร์ได้หมดเลยตามนัยยะแห่งคำภีปฏิสามพิธามักปฏิสามพิธามักเนี่ยกล่าวเอาไว้โดยไปยานใหญ่นั่นแหะในเล่มเล่มหกสิบแปดกล่าวไว้ บางคนเนี่ยถ้ากุ้งซอยตัวเล็กๆ เ, เนี่ยกี่ศพมันจึงจะอิ่มใช่ไหมถ้าปูธรรมดาทั่วไปเนี่ยกี่ศพเขาจึงจะอิ่มอันชีวิตของเขาเนี่ยถ้าไม่มีบาปเขาไม่อิ่มท้องอั้นคนเหล่านี้พอเกิดมาปั๊บนะรูปชั่วตัวดําไร้การศึกษาหาเช้ากินขําอาบเหงื่อต่างน้ําประกอบก่อกรรทําชั่วใหม่อีกครั้งเขาก็ไปไม่ดีทีนี้ของเราเองนั้นเราพ้นอย่างนี้ไหมถ้ายังไม่พ้นมีกุศลชนิดใดบ้างที่เป็นไปเพื่อ ให้พ้นจากสภาพแบบนี้นั่นแหละดงนั้นผู้ที่จะพ้นสภาพแบบนี้เลยก็คือพระพระโสดาบันพระโสดาบันก็คือผู้รู้อริยสัจครั้งแรกผู้เห็นอริยสัจครั้งแรกทีนี้ของเราล่ะจะศึกษาพระธรรมคําสอนอยังไงจึงจะรู้อริยสัจได้เราก็จะได้น้อมเห็นพระธรรมขึ้นนะอย่างอย่างสมมุอคนที่เขาประกอบอาชีพอย่างนั้นเขาก็ทํากรรมใหม่ส่วนสัตว์ประเภทนั้นก็รับผลของกรรมเก่า ทีนี้ถ้าหากว่าสัว์เหล่านั้นถ้ามีจิตที่ไม่ดีเขาก็ทำเหตุใหม่ขึ้นมาอกีกเราก็เหมือนกันถ้าเราปล่อยให้สภาพจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลไหลไปเรื่อยเราก็ยังไม่ได้พ้นจากอาชีพนั้นเราก็ยังไม่ได้พ้นจากสภาพแห่งความเป็นปูเพราะจุติจิตไม่ได้เกิดยากเลยใช่ั้ยก็มเหสีของพระราชาองค์หนึ่งปฏิสนธิจากมเหสีในวังอย่างดีไปเกิดเป็นนอนในขี้วุกขี้ในมูลโค กระดึบด บ, บตามหนอนตัวผู้ข้างหน้าอัะนนะ้แล้วก็ในประวัติของพระอินน่ะนะประวัติของท้าวสักกะเนี่ยท้าวสักกะนั้นในอดีตที่ที่เป็นมคะามานพมีภรรยาอยู่สี่คนภรรยาสี่คนเนี่ยภรรยาน้อยที่สุดของเขาเนี่ยชื่อนางสุชาดานางสุชาดานี่มีอัจยาศัสายแต่งตัวงามนั่นแหละอ่าส่วนภรรยาอีกสาคนที่เหลือก่อนหน้า น, นั้นเขาฝ่ายบุญกันเขาทาบุญกัน ส่วนนางนางสุดท้ายนี่ก็แต่งตัวให้งามงามสามีจะได้โปวดปานมากๆทีนี้สามีตายไปเกิดเป็นเท้าสักกะมเหสีที่เหลือเออภรรยาที่เหลือไปได้ดีกันหมดนางโซชาดาไปเกิดเป็นนกกระยางอยู่ตัวเดียวของกเพราะั้นจากมนุษย์ดีๆไปเกิดเป็นนกกรยางพระองค์จึงกล่าวไว้ในในพระสูตรมากแห่งกล่าวถึงว่าสัตว์โลกเมื่อจุติจากมนุษย์แล้วไปสู่อบายทุคติวินิบาตมากกว่ามาคืนสู่ความเป็นมนุษย์ มากกว่าที่จะไปเป็นเทวดาคือเป็นไปไปสัตว์ในอบายนี่ค่อนข้างมากที่มันมากเราสังเกตดูสภาพจิตของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปอันนะ่ะกุศลจิตที่เป็นที่เป็นไปกับทานศีลภาวนาอคำว่าภาวนานี้อย่าไปคิดคิดถึงภาพนั่งหลับตานะนะคําว่าภาวนาไม่ได้แปลว่านั่งหลับตานะดังนั้นภาวนาก็คือเป็นการเจริญกุศลจิตอย่างต่อเนื่องนั่นเองดังั้นถ้าหากว่า สภาพจิตของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปกับทานศีลภาวนาน้อยที่เหลือก็เป็นไปกับกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตพันก็ไปในภพภูมิที่ไม่ดีซะส่วนใหญ่นี่ของเราก็ทำให้เราน้อมเข้ามาหาเราเองมากๆขึ้นเราก็ยังไม่ได้พ้นจากสภาพอย่างนั้นพระองค์จึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายมืดมาแล้วก็มืดไปบางพวกมืดมาแล้วก็ สว่างไปบางพวกสว่างมาแล้วก็สว่างไปบางพวกสว่างมาแล้วก็มืดไปหมายคำ ว, ว่าครั้งแรกนั้นมืดมาก็คือเกิดมาในตระกูลต่ําตระกูลต่ําแล้วก็รูปไม่ดีและอย่างนี้แล้วก็ความรู้ไม่ดีเป็นต้นทําให้ก่อกรรมใหม่กรรมที่เป็นบาปเป็นอกุศลเสร็จนี้เรียกว่ามืดมาแล้วก็มืดไปบางพวกเกิดในตระกูลต่ําเป็นต้นแต่ก็สว่างไปเพราะเขาประพฤติสุดจริญ3า มาพอมันนึกถึงข้อนี้นึกยังไงนะทุกคนนึกว่าช่างมันเถอะมันมืดมาแต่ก็ปาธนาสว่างไปกับเขาว่างนะก็ <c oughs> <Prophet> <c oughs> มีคาถามมีคำถามหนึ่งครับนี่ของจรงเ้าบอกว่าธรรมบทใดจะเหมาะสมแก่ผู้ที่ป่วยเป็นเส้นโลหิตในสมองแตกอายุเจ็ดิบสองรับรู้ไม่ได้แต่พูดรับรู้ได้แต่พูดไม่ได้แล้ว และซีกซ้ายก็เป็นนามพาศเป็นแล้วกว่าสองเดือนนอนอยู่ในโรงพยาบาลมีภรรยาอายุเจ็ดสิบปีพยาบาลรักษาดูแลอยู่อยากจะสรุปว่าถามว่านะจะสงเคราะห์ท่านด้วยธรรมะบทใดมั้งนั้นเถอะถูกไหมเจ้าของปัญหาถูกไหมว่าอยากจะสงเคราะห์อ๋อไม่ใช่จะอยากจะสงเคราะห์ท่านผู้ป่วยซึ่งเป็นนามาพานี้ด้วยวิธีใดบทใด คือคือส่วนนี้เราต้องค่อนข้างคนที่จะให้ธรรมะเขาต้องรู้ประสบะการณ์ภูมิหลังของของคนป่วยนั้นค่อนข้างดีหน่อยว่าคนป่วยนั้นเขามีจริตอัธยาศัยในลักษณะไหนนั่นแหละแต่ก็ควรจะเป็นธรรมะที่ฟังค่อนข้างง่ายๆะนะซึ่งฟังแล้วก็เขาเข้าใจทันทีเลยก็คือหาพระพุทธพจน์ที่พูดเป็นภาษาทั่วไปเราเข้าใจกันได้นั่นแหละพระพุทธพจน์ที่ฟังแล้วก็เบาๆเช่นชาดกเป็นต้นน่ะนะ คือถ้าอายุมากๆขนาดนี้แล้วก็ฟังประเภทชาดกพอฟังเป็นเรื่องเป็นราวได้บ้างอ่ะนะแต่จะมาขันธาตุอายตนะสัจจะนี่ก็โอ้ยนะที่ขวาตาเดี๋ยวที่เหลือจะแตกตาไปเรื่อ <c oughs> ยคือ <c oughs> ถ้าหาว่าเขามีมีประสบการณ์ภูมิหลังที่ดีนะเราก็สามารถที่คือคนที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละจะรู้ดีว่าเขาควรจะฟังธรรมะบทใจนั่นแหละหรือไม่เราก็ถ้าคนที่จะให้ธรรมะนะส่วนหนึ่งต้องไปฟังประวัติเขาก่อน นะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอาตมาจะตอบนะอาตมาต้องไปนั่งฟังประวัติของคนนั้นก่อนจึงจะบอกได้เพราะว่าเอานะทีขณิกาย34สูตรมัชชิมนิกายร5 2ยสูตรเงี้ยสังยุตตนิกาย7000กว่กระสูตรอังคุตระนิกาย9000กว่กระสูตรเนี่ยสังเออแล้วก็คุธการนิกายอีก15คัมภี์อภิธรรมอีก7คัมภีเงี้ยโอ้เราไม่รู้จะเอาหมวดไหนคือหมายความว่า ถ้าเราได้รู้ประวัติของเขาเราสามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ว่าควรจะเป็นธรรมะหมวดไหนซึ่งซึ่งถ้าลักษณะนี้มันก็ลักษณะที่เอาไปอ่านให้ฟังกับฟังเทปอย่างเดียวนี่แหละก็มีอยู่สองลักษณะซึ่งถ้าตรงนั้นเนี่ยคนที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละเขาจะเข้าใจดีเจนผานก่อนอื่นก็ไตรสรณคมไปอ่านให้ฟังก่อนที่เอาเทปไตรสรณคมนี่เนาะเจนผานฟังเรื่องพุทธคุณเยอะๆะนะเจนผานน่าน่าดีมากเลยถ้าหากว่า หรือไม่อีกในหนึ่งก็คือให้เขาฟังเรื่องศีลง่ายๆเรื่องไตรสรณคมเนี่ยให้คิดถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านดีนะท่านอย่างเงี้ยเราก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเสร็จแล้วให้เขาเข้าถึงไตรสรณคมเช่นเราก็บอกว่าเอาค่อยๆว่าตามนะคิดในใจว่าตามพุทธังสรณะฆาฉ า, ามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะว่าเป็นที่พึ่งเนี่ยทำมังสรณะฆาฉ า, ามิข้าพเจ้าให้เขาคิดตามไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆว่าตามช้าๆ เสร็จแล้วเราก็พาสมาทานศีลอีกนะหนึ่งนะข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าขอสมาทานงดเว้นจากการฆ่าสัตว์คือศีลตัวนี้เกิดด้วยการสมาทานอันเราก็พาสมาทานข้อที่1ข้อที่2ข้อที่สข้อที่สี่ข้อที่หแล้วก็บอกเขาว่าเออสิ่งเหล่านี้นี่แหละเป็นบุญเป็นสเสบียงทางในพบหน้าต่อไปของเรานั่นแหละหรือให้นึกถึงธรรมะเหล่านี้เอาไว้มากๆนะเราก็จะอาจจะหายได้นะ หายคือคําว่าหายไม่ได้แปลว่ากลับมาหนุ่มเหมือนเดิมแต่หมายคำว่าโรคภัยแบบนี้ถ้าบุคคลที่ถึงสรณะแล้วพบที่ดีของเขาเขาจะได้ไม่มาอยู่ในสภาพแบบนี้อีกนั่นแหละพบต่อไปก็ดีทั้นการสอนให้ถึงไตรสรณคมและศีล น, นั่นแหละเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมะที่เขาใช้บ่อยที่สุดเลยนะถ้าสําหรับสําหรับลักษณะนี้เ่นพรให้ให้พยายามนึกถึงไตรสรณคมกับศีลเอาไว้แต่ศีลก็อย่าพยายามอธิบายในลักษณะ พิสดารมากนักอธิบายในเชิงศรัทธาให้เขามีศรัทธาที่จะรักษากุศลจิตอันนี้เอาไว้ได้นั่นแหละยังไม่ต้องแสดงเหตุผลอะไรดันงนั้นเพียงกับพูดในลนักษณะค่อนข้างกัใช้น้มนาวให้มากๆอะ่ะ